ปฏิบัติและก็ฟังธรรมกันก็เป็นช่วงของการเจริญในกุศลได้ทั้งเป็นบา ร, รมีธรรมไปด้วยก็ในสมัยที่มนุษย์ ยังลุ่มหลงกันอยู่นะก็ไขว่คว้าเอาแต่การ ม, มาสุขก็เป็นสิ่งที่อยู่ความสุขที่ยังเกิดกลัวอยู่กับชีวิตที่ยังไม่หลุดออก ก็คือนิสัยก็ยังวนอยู่กับความโกรธความโลภและความหลงจริงๆมันก็เป็นอาจมของจิตใจนะความโลภโกรธหลงเนะช่าว่าผู้ภาวนายังไม่สามารถที่จะออกไปจาก วังวนนี้ได้เนี่ยพวกเราก็เหมือนจมอยู่กับอาจมแบบเดิมๆก็เพียงแต่ว่านับปีพอสอแล้วก็เพิ่มความเกิดในแต่ละภพภูมิที่เราเกิดที่เรียกว่าเวียน เวียนเกิดเวียนตายเวียนไหวตายเกิดก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่สุดประเสริฐสักเท่าไหร่นะการเวียนไหวตายเกิดเพราะว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเองขณะที่พระองค์ยังมีความยินดีอยู่กับ ความเกิดในช่วงของชีวิต ท, ที่ครองเรือนก่อนที่จะเจอเทวทูตทั้งสี่ตอนที่ออกเสด็จประพาสอุทยานก็ได้เห็นเห็นสภาพที่มีคนแก่เจ็บและคนตายก็เกิด ความรู้ขึ้นมาอย่างหนึ่งว่ า, วาเราเองก็ต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้เหมือนกันฉชนนีนเราจรึงมา <c oughs> ยินดีหรือพอใจกับความแก่เจ็บแล้วก็ตายซึ่งมีความเกิดเป็นเมล็ดพันธุ์อยู่ ทำอย่างไรเราจะทำลายความเกิดนิสยียที่ไม่ต้องมาอยู่กับสภาพที่ทุกข์ฉะนั้นผู้ภาวนาสิ่งที่กำไรกว่าผู้ไม่ภาวนาก็อยู่ที่ว่าจริงๆมนุษย์เนี่ยถามว่ามีความทุกข์ ทุกคนไหมตอบว่ามีทุกคนมีตั้งแต่เริ่มเกิดแล้วแล้วก็มีไปเรื่อยๆจนถึงคําว่าตายแต่ผู้ภาวนาจะกำไรตรงที่ว่าเราจะไม่เพิ่มทุกข์ให้มากกว่าที่ทุกข์มีอยู่ นี่คือสิ่งที่กำไรและก็เป็นปัญญาของผู้ภาวนาสำคัญตรงนี้และโดยเฉพาะผู้ที่เขาสามารถรักษาจิตได้เนะี่ยเขาจะไม่ถูกเศษอารมณ์มาทิ่มแทงมาบาดชีวิตที่เหลือน้อยอยู่แล้วเนี่ย ให้ตายเพิ่มทุกข์ไปอีกเนี่ยก่อนตายเนี่ยเขาไม่ทำจึงบอกว่าถ้าเงินทองซื้อทุกข์ได้แตามาบอกได้เลยว่าขายดีที่สุดแล้วขายดีในโลกเลยแต่ว่ามันคนละส่วน ก็ซื้อได้เป็นบางเรื่องบางอยา่างแต่ก็ไม่ได้ว่าซื้อทุกไปได้ในชีวิตจริงที่เป็นจริงก็แค่ช่วยเหลือความขัดสนคนแค้นลำบากลำบนยากจนก็ให้สุขสบายขึ้นมาแต่ว่า ชีวิตของสัตว์มนุษย์ทุกตัวตนเมื่อเกิดเป็นผู้เป็นคนแล้วเนี่ยก็ต้องมารับรู้ทุกทั้งนั้นเลยถึงบอกคนภาวนาฉลาดเขาจะไม่ทำทุกข์ที่มีอยู่แล้วให้มันเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่องที่ไม่ควรใส่ใจ ก็วางเสียเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ให้รู้จักว่างคำเดียวที่ผู้ภาวนาต้องศึกษาและทำความเข้าใจให้เยอะคือคำว่ารู้จักว่างฟังมันก็ไม่ยากว่างว่างอ วแต่ถ้าเราไม่รู้จักวางเนี่ยชีวิตใครก็บอกไม่ว่างและก็วุ่นตลอดวุ่นตลอดถึงบอกเออหลายคนมองชีวิต ไม่รู้จักมองไปข้างหน้ามองชีวิตไปสู่อดีตแล้วก็เก็บความรู้สึกเก่าเก่าเก็บความผิดหวังความสมหวังอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมาไม่ได้ว่าอาดีตควรจำ แต่ไม่ควรที่จะนำมาใส่ใจให้เกิดความทุกข์อีกเราจดจำอดีตไม่เป็นไรผื้นนาที่ไร่สวนบ้านเรือนผู้คนมองแล้วมันก็เป็นอนิจจัง ที่บอกให้ควรจำก็คือมองแล้วมันเป็นอนิจจรเจอแล้วก็จากพบกันก็ต้องพัดพรากจากกันอีกเคยสุขสนุกสนานวันเวลาก็ผ่านไปไวที่เคยวิ่งเล่นสนุกสนาน กำลังวังชาของเราก็เริ่มอ่อนลงคือเราหวนได้เราดึกได้แต่เราต้องรู้จักวางถึงบอกคนฉลาดมองชีวิตที่เป็นอดีตไม่เพิ่มทุกข์ให้กับจิตใจเขาฉลาดเขารู้จัก จำในสิ่งที่ที่เป็นมงคลที่เป็นกุศลที่เป็นสิ่งดีงามสิ่งร้ายร้ายสิ่งที่ทำให้เราต้องโศกเศร้าเสียใจหรือสิ่งที่บีบคั้นให้เราเกิดทุกข์ก็ให้รู้จักวาก แล้วก็มองไปข้างหน้าก็คือมองไปสู่อนาคตคนที่จะเจริญจริงๆเขาไม่ได้มองไปในอดีตฝ่ายเดียวก็ต้องมองไปในอนาคตชีวิตมนุษย์สําคัญที่สุดว่าเราถ้าอยู่กับอดีตมากชีวิตมันก็จมอยู่กับชีวิตไม่ไปไหน แต่ได้อยู่กับอนาคตที่เราควบคุมมันไม่ได้ฟุ้งซ่านมากเกินเนี่ยมันก็ทำให้เราเป็นคนเพ้อเจร์หรือไม่รู้จักประมาณใช้ไม่ได้อีกจึงบอกเออใครเข้าใจหลักดำเนินชีวิต และเข้าใจจิตใจแท้จริงธรรมาว่าคนนั้นจะมีความสุขมากกว่าความทุกข์ทุกเนี่ยมันป่าปนอยู่ทุกรูปแบบโยมปฏิเสธเขาไม่ได้หรอกใครปฏิเสธทุกได้ธรรมาบอกคนนั้นไม่ใช่คนไม่ใช่ทุกมีทุกคน เราปฏิเสธไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงบอกทุกกำหนดอุรเหตุของทุกข์ก็เพ่งละเสียแสดงว่าสิ่งเหล่านี้ก็ปะปนกับเราอยู่แต่ถ้าเรารู้จักก็ปล่อยวางเราก็ไม่ต้องไปไปทำให้เป็นเงื่อนตายเวลาผูกอะไรนะ่ถ้าผูกเป็นเงื่อนตายนะ่ย ถ้าเป็นเชือกเส้นนั้นก็ต้องถูกตัดให้ขาดหรือถูกไฟเผาให้ขาดไปทิ้งไปเสียไปถูกไหมฉะนั้นเวลาผูกอะไรนะเขาทำเป็นการผูกที่สามารถแก้ได้ไม่ให้เป็นการผูกเป็นเงื่อนตายและเชือกเส้นนั้นก็ใช้ไม่ได้ด้วย ตัวเราเองอย่าทำชีวิตให้เป็นเงื่อนตายสุดท้ายจะทำลายตัวเองมั่นหมายอะไรจนเกินไปยึดมั่นอะไรจี้มากเกินไปผูกมัดกับสิ่งไหนที่มันเกินเหตุเกินเลยแล้วนั่นคือการเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองเออใครจะรู้ หรือไม่ก็ตามนั่นเท่ากับว่าเราเนี่ยเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองเสียดดยเสียดดยจริงบอกว่าคำว่าปล่อยวางจิตจะสงบได้ก็ต้องรู้การปล่อยวางเพียงจะนอนหลับ เบื้องต้นก็ต้องรู้จักวางความคิดวางชีวิตที่เราไปมั่นหมายกับสิ่งนั้นแล้วจึงนอนหลับแต่ถ้าคิดและไม่วางหลับไม่ลงนะแต่ตึงตึงตึงตึงไปตึงมาเนี่ย เรากําลังทำลายตัวเองโรคจะถามหาคนนอนไม่หลับนี่เป็นโรคได้ทุกอย่างพอเครียดขึ้นมานี่เป็นได้หมดเลยเป็นได้หมดนะคนไม่เคยเป็นความดันก็เป็นความดันเอาลองนอนไม่หลับคิดหนัก ความดันนี่ขึ้นจุดเลยนะปูดเลยนะไม่ได้อารมณ์ที่เคยสบายสบายบึงตึงมองท้องฟ้าก็ไม่งดงามมองอะไรก็ไม่งามเพราะว่าใจของเราเน มันเหมือนมีเมฆก้อนดำทมุนเกาะกลุมหัวใจของเราเราต้องฝ่ามันรูอว่าผ่านมันให้ได้ต้องรู้จักวางใโยมเข้าใจการภาวนาคำว่าวางได้ จะมาบอกได้เลยว่าความทุกข์แค่ไหนถ้ารู้จักวางมันก็ไม่ยิ่งใหญ่อะไรแต่ความทุกข์ที่เราไม่รู้จักวางโอ้โหมันยิ่งใหญ่นะมันรู้สึกเจ็บแบบเจ็บจนเป็นเงื่อนตาย อภัยก็ไม่ได้ยกโทษก็ไม่ได้คืนดีกันก็ไม่ได้พูดดีกันก็ไม่ได้คิดให้ดีต่อกันก็ไม่ได้มันปิดกั้นทุกอยาก่างมานเนี่ยเขาฉลาดเขามากับเหตุการณ์แล้วร้ายๆเหตุการณ์ที่เป็นจริงแล้วก็เกาะกินใจเราให้รู้สึก ทุกข์และต้องให้ยึดมันนหมายแต่พระพุทธเจ้าพอรู้ว่าทุกข์ให้รู้จักปล่อยวางมานกับพระต่างกันตรงนี้อามามบอกเออถ้าเราไม่รู้จักคำสอนของสัตบุรุษแล้วเนี่ยา ม, ามาก็บอกไม่ได้ว่าตัวเราเอง จะคิดค่าตัวตายก่อนจะตายจริงๆปีหนึ่งสักกี่ครั้งก็ไม่รู้แล้วที่ยังอยู่เราอยู่แบบสภาพที่ต้องบีบคั้นตัวเองให้ทุกข์เพิ่มมาอีกอีกเท่าไหร่ที่เราเพิ่มเข้าไปนะมันก็ชอบใจยิ่งโกรธเท่าไหรนะ่เนี่ย มันเขาหาเหตุหาผลให้ยิ่งเกิดความอายุติธรรมด้วยนะโอ้โหมันเขาได้ทีก็ยุยแย่จนถึงกับว่าถ้าเราฆ่าได้ก็ฆ่าเสียถ้าทนไม่ไหวเขาก็บอกให้ไปตายเสียจิตแบบนี้ความคิดอย่างนี้ ขาดปัญญาขาดแสงสว่างของพุท ธ, ธะนาะโยมอย่าไปทำตามนะเขาหลอกเขาหลอกเขาลวงเขาลวงหัวใจของเราให้ถูกบีบคั้นไปอีกหลายคนที่เชื่อมานทั้งหลายสุดท้าย เหมือนกับเพิ่มทุกข์ให้ตัวเองเราไม่หยุดแค่นี้แต่เราก็ยังเพิ่มอีกถึงบอกเออกว่าใครจะรู้ความจริงชีวิตวิ่งพลานเดือดดานไม่รู้ว่าทุกขนาดไหนแล้วมนันก็บอกให้ยึดมั่นไว ถ้าขอโทษก็อย่าให้ถ้าเขามางอก็อย่ายอมมีโอกาสก็ต้องชํ่ระนี่แคนก็บอกโยมอย่าไปเชื่อนะ่ะนั่นไม่ใช่วิสัยของลูกพระพุทธเจ้าหรือวิสัยของสิท ธ, ธาคตอย่าไปเชื่อพระพุทธเจ้าตรัสสอนนะว่า เวนึงก็ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวทเราไม่ทำทำร้ายเขาเราไม่ทำลายเขาใจเราก็ไม่เป็นมารคเขาทำร้ายเราเขาทาลายเราใจเขาเองก็เป็นมารคเขาเองก็ไม่ได้รับความสุขเพราะว่ามารก็บีบคั้น มานก็คอยยั่วให้โกรธยมสังเกตมาพะคุณธรรมของใครที่อ่อนแอลงนะมานก็จะพยายามเดี๋ยวให้โกรธปะเดี๋ยวให้เกิดความริษยาอิจฉาตาร้อนปะเดี๋ยวทำให้เกิดความหงุดหงิดไม่พอใจคนนั่นคนนี้ปะเห็นใครดีกว่าก็ไม่ได้ หรือใครมาทำอะไรกับเรานิดๆหน่อยๆเราก็ไม่มีความอดทนอยู่เลยมานก็ชอบมานก็ชอบบุคคลเหล่านี้เขาบอกยุขึ้นพอเป่าครีหน่อยก็เหมือนกับงูเลยรำแผ่เบี้ยเลย ยานะยามันเป็นกรรมของผู้กระทำฉะนั้นเราต้องมีสติปัญญาเนี่ยผู้ภาวนาจะเหนือกว่าผู้ไม่ภาวนาก็ตรงนี้สติปัญญาและปัญญา เป็นปัญญาที่รักษาจิตไม่ให้ทุกขนั้นเพิ่มขึ้นอีกโอ้ที่มีก็ตัมมาก็ว่าพอเลยนะแครว่าทุกของตัวเองยังไม่พอนะรู้ว่ามันยังน้อยไปอย่างเงี้ย น, นะต่มาว่าไม่ใช่เท่าที่มีชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยเราจะแก้มันได้หมดหรือเปล่า ในแค่ที่มีอยู่ตอนนี้ในจอเรื่องสุขภาพร่างกายในเรื่องต้องทามาหาเลี้ยงชีวิตในเรื่องครอบครัวลูกหลานเล้นโลนในทรัพย์สมบัติต้องดูแลรักษาในจะต้องมีผู้มาสืบทอดดูแลทรัพย์สินสมบัติ ใครจะเหมาะสมใครจะรักษาได้เมื่อเราจากโลกนี้ไปเนี่ยคนมีก็ทุกแบบคนมีก็น่าสงสารอีกแบบเนี่ครั้นคนไม่มีเลยก็ทุกแบบหาเช้ากินข้าหน้าดำหน้าแดงเจ็บป่วยไข้จะทำยังไรเกิดโรคภัยขึ้นมาจะอยู่แบบไหนยามหนาวยามร้อน จะต้องทนชีวิตแบบไหนก็มีอีกสภาพหนึ่งแต่ตมาต้องบอกว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่คือสิ่งนี้สิ่งสำคัญว่าก่อนที่เราจะจากโลกนี้เราทำตัวมีค่าแค่ไหนตมาเมื่อก่อนก็ให้ความสำคัญในเรื่องของจุด ปากทองเรื่องการเป็นอยู่เรื่องอยู่ยาแต่พอศึกษาธรรมะปฏิบัติไปปฏิบัติมาค่าชีวิตจริงๆอยู่ที่ว่าเราทำตัวของเราพอจะมีประโยชน์อะไรบ้างให้กับบ้านเมืองประเทศชาติสังคม เพื่อนมนุษย์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายนะเราได้ให้อะไรอะไรกับแผ่นดินเราบ้างทานศีลภาวนาเนี่ยเราเคยปฏิบัติเคยรักษาศีลไหมเคยเจริญปัญญารู้จักทุก์ที่ต้องวางบ้างหรือเปล่าธรมาบอกเออ ความสุขมนุษย์หลายคนเข้าใจจะไปหาสุขแค่ช่วงก่อนตายธรรมาบอกไม่ใช่เราต้องสุขทุกวัดเราจะต้องมีความสุขทุกวัดจึงเรียกว่าเราอยู่บุญสวัรค์จริงอยู่อยู่ในมนุษย์ แต่จิตใจของเราเหมือนเทพมีความสุขมีคุณธรรมคอยหล่อเลี้ยงจิตใจมีเมตตาธรรมคอยทำให้จิตใจมีความสบายไม่คิดอคุศลไม่คิดกร้ายกับใครไม่เบียดเบียนใครไม่เย็บย่ำใครไม่ข่มขู่ใครไม่ดูถูกใครทั้งนั้น แต่ ม, มีกฎอยู่ข้อนหนึ่งผู้จเจริญแล้วถ้าไม่ช่วยก็อย่าทำลายเขาไม่ส่งเสริมก็อย่าเหยียบย่ำเขานั่นหมายถึงว่าต้องไม่ซ้ำเติมชีวิตของผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือผู้ที่เขามีความสุขสบายอยู่ เราก็ไม่อิจฉาตาร้อนก็รู้สึกยินดีกับเขาด้วยและโยมจะมีความสุขลองทำดูด้วยพอใครได้ดีก็เออโมทนาสาธุไม่ไ ม, ม่อาจจะฝืนหน่อยไม่เป็นไรทุกอย่างฝึกกันได้พอถึงเวลานี้สบายโยมใครได้ดีจะมาได้ยินบ่โอ้โมทนาสาธุเ อ, อียญาติโยมคนนั้นได้ดีสาธุ คนในฟังชีวิตมันรู้สึกตกต่มลงเฮ้ยผิดเวรกรรมน่าสงสารเนาะเนี่ยของเก่าบุญกรรมไม่ดีมาของใหม่ก็ไม่ได้สร้างวาสนาเพิ่มอีกแล้วมันจะเอาบุญเอากุศลเอาความสุขจะเกิดได้ตรงไหนในเมื่อพระพุทธเจ้า บ, บอกแล้วว่าบุญนี้ชื่อว่าความสุข ยมอย่าลืมคำที่พระพุทธเจ้าตรัสนะบุญบุญนี้ชื่อว่าความสุขบอกบรรดาพิสุทั้งหลายแสดงว่าคนที่ก็มีความสุขอยู่ทุกวันนี้เขาได้มาจากบุญมาพิกเวปุญญานังพายิทธะสุขัสเซตังอาธิวัจจานัง พระองค์ตัดกับพิสูุน์นะบอกพิสุจทั้งหลายพวกเธออย่ากลัวนะต่อบุญคำว่าบุญบุญนี้ชื่อว่าความสุขโยมฟังดูแสดงว่าคนที่เขามีอะไรดีๆได้ชีวิตดีๆมาเขาไม่ได้ได้จากบาปมานะเขาได้จากบุญกุศลที่ได้สั่งสมมา ถึงบอกเออชะตาวาสนาบารมีของคนก็จริงถึงบอกบางคนเกิดมาเขาก็เออเป็นคนมีบุญยมมาแข่งก็ตอนตอนนี้ไม่ทันแล้วล่ะ เ, เขาพร้อมหมดแล้ว ก็พร้อมหมดแล้วชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจวาสนาคาทาดผู้คอยดูแลรับใช้ทุกอย่างก็พร้อมหมดดันบุญส่งเสริมก็เพราะอะไรบุคคล น, นี้เคยเกื้อกูลบุคคลอื่นมาเขาจึงมีวาสนา แต่ถ้าไปปล้นเขามาไปแย่งเข้ามาไปชิงเข้ามาไปทำลายไปให้ร้ายไปใส่ร้ายไปไป้ายสีไปเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นมาอิจฉาริษยายมลองละระลึกรือว่าบุคคลเหล่านี้จะเกิดพรั่งพร้อมได้ไหมไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะเป็นผู้ไปขัดลาบเขาหมดเรื่องนี้ไม่ใช่แต่คารวะโดนไม่แต่พิษุ ด, ด้วยกัน ยังใช้กรรมใช้บีบากคไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติจนเคยได้ฟังนิตมากขาเล่าไอ้ฝากพิสุเพียงแต่ไปขัดลาบของพิสุอื่นที่ศรัทธาของอุบาสกบาศิกาที่เ็าเลื่อมใสพระ อีกรูปหนึ่งที่เป็นอคนธุกาสมาเยือนแล้วก็ได้อรัตานานิมนต์ไปรับพัฒตาขารพิสูจน์เจ้าถิ่นก็เกิดความไม่พึงประสงค์ที่จะให้ไปเพราะดูดูแล้วผู้ดูแลอุปถากเราจะมีศรัทธามากเกินไปแล้ว ก็ไม่ชวนไปแล้วแกล้งวังอบายไปเองกระเคิงระค ร, งะครังไม่ต้องตีใช้นิ้วดินเบาๆแล้วก็ไปบอกว่าทางโน้ด้เวลาตีระครังก็ไม่ตื่นอะอย่างนี้เป็นต้นแม้กระนั้นเขาก็ยังฝากใส่ปิ่นโตไปแล้วการนะท่านาไม่ได้มาเขาฝากปินโตแต่โยมเขารู้สึกว่ามันฟังแล้วยังไงยังไง ศรัทธาก็ยังมีอยู่ก็ถวายสำรับกลับไปที่ไหนได้ระหว่างทางตัวเองก็ไม่ได้กินกินก็ไม่ลงแล้วอิ่มต้องลงแรงไปฝังดินทิ้งไว้กลัวคนจะเห็นโยมดูเิดพิสุรูปนั้นท่านทราบด้วยญาณและท่านก็เป็นพระผู้หมดกิเลสด้วยซ้ำไป พอท่านรู้ท่านก็ไปแล้วท่านบอกอยู่ไปก็เป็นเวรกรรมของพิสูจสู้อย่ามีเวรกรรมกันดีกว่าเรื่องจริงนะผู้ที่หมดสาสระน้อยใหญ่แล้วถ้ารู้ว่าตรงนั้นอยู่แล้วเป็นเวรกรรมของผู้อื่นท่านย่าไม่อยู่นะโดยเฉพาะท่านก็เป็นเพียงอาคกการตุกาดด้วย ท่านก็ไม่อยู่ก็ไปแต่กรรมครั้งนั้นโยมไม่จบพอชาติต่อต่ อ, ตอมาตั้งแด้นั้นมาท่านเป็นคนอัตคัดขัดสนยากจนข้นแคดและท่านก็รู้นะพอกลับมาถึงที่พักท่านรู้แล้วว่าพระพิสูุรูปนี้ไม่ธรรมดา ต้องเป็นผู้มีคุณธรรมขั้นสูงโอพอทราบนั้นท่านเกิดความโศกเศร้าเสียใจรู้สึกผิดแต่ทุกอย่างมันสายไปแล้วมันเป็นอกุศลกรรมที่ท่านได้สร้างและกรรมนั้นก็สำเร็จผลไปแล้วท่านทำลายลาบอาหารที่พระ ท่านจะได้ฉันยมที่เขาถวายมาตั้งแต่นั่นมาศรัทธาก็ตกท่านก็อยู่ไม่มีสุขเลยเมื่อนานก็มรณาภาพไปตกรกรรมลำบากอยู่ในทุกติภูมิอัตคัดขัดสนพอเกิดมา ยากจนคนแกนทุกพพทุกชาติอีกไม่รู้นานนมเท่าไหร่นั่นเป็นเพราะอากุศลจึงทำไม่ทุกเกิดไม่ใช่สุขบุญชื่อว่าความสุขเห็นไหมญาติโยมฉะนั้นคนที่เขาพรั่งพร้อมทุกอย่าง นั่นแหละเขาสร้างมาดีวาสนาเขาดีมาเขาสร้างบุญมาแล้วอุปุปธรรมคำจุนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเป็นการแผ่บุญกุศลให้กับผู้อื่นได้รับใบบุญตัวเองพอเกิดมาก็ไม่เกิดในที่ลำบากร้อนก็ไม่ร้อนถ้าอากาศร้อนก็มีที่กำบังให้อีก ยมดูพระพุทธเจ้าผู้มีบุญนะขนาดสามขวบเข้าฌานอยู่ทอดตกเที่ยงแดดก็กล้าที่ไหนได้ร่มเงาว่าเนี่ยยังทอดบางเงาให้ร่มดูสิบุญปกปกักรักษาธรรมะจึงบอก ไม่ต้องพิสูจน์ข้างนอกแต่มากาหนดพิสูจน์ภายในจิตใจกาหนดได้จริงๆบอกเออบุญชื่อว่าความสุขและทำให้ใจเราเองก็ร่มเย็นพอนึกถึงบุญพอนึกถึงจิตที่เมตตามันสว่างจิตมันสว่างมันสะอาดใจก็สบายแต่บอกเออ การไม่เบียดกันเป็นสุขในโลกอัพยาประชังสุขขังโลเกเรื่องจริงการไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกเออรู้แล้วเราเป็นผู้ปฏิบัติต้องสัมผัสเองบางคนยังหยาบอยู่นะสัมผัสบุญไม่ได้สัมผัสความเมตตาในใจตัวเองไม่ได้ สัมผัสธรรมปิติไม่ได้ตมาต้องบอกว่าจิตของพวกเรายังหยาบยังหยาบนะถ้าเราสัมผัสโดยจิตของตัวเองไม่ได้รับรสแห่งธรรมไม่ได้ความร่มเย็นความอิ่มเอิบแห่งใจเราปฏิบัติและสัมผัสไม่ได้ตมาบอกว่า จิตของเราเนี่ยยังมากด้วยอกุศลกรรมอยู่นะหรือยังมีกรรมวิบากเป็นกาแพงขวางกัน้นทำให้ใจของเราเองยังไม่ซึมซับรับ ร, รู้ในสภาวะของบัณฑิตเท่าไหร่มีนะบางคนเขาวัดเขา้าวานแต่ว่าโอ้โหจังใจใจวใจดำ ปากจัดจ้านยังด่ายังว่าคำหยาบหยาบยังใช้คำสาบแช่งมันไม่ใช่นะของพวกเรานี้วาจานี้ท่องบนสาทยายธทมนะไม่ใช่เป็นสาบแช่งคนนั้นคนนี้ก็บอกไม่ดีไม่ดีมันเป็นอาคุศลถึงบอก การมีสติคอยระลึกรู้กำหนดเบื้องต้นก็คือในข้อศีลของเราเนะีสำคัญพอยิ่งปฏิบัติไปเราจะสัมผัสได้แต่มาก็เคยแต่งจะบอกเป็นกรอนกระชัยไม่ใช่กรอนกระชัยบอกจากวนนั้นถึงวันนี้วิถีทมแค่นี้เอง เรารู้เลยใจของเราจากวันนั้นถึงวันนี้วิธีทำเราได้สร้างจิตของเราใหม่มันเป็นเมืองใหม่ที่น่าอยู่กว่าเมืองเก่าเมืองเก่ามีคำด่าคำสาปแช่งมีความอิจฉาริษยามีการโกรธแค้นมีการผูกพย า, ยาบาทมีการอาฆาตมีการใช้ความรุนแรงนี้เกิดขึ้น พอเราย้ายมาเมืองใหม่เราสร้างเมืองใหม่เรารู้เลยเข้ามาแล้วมันร่มเย็นมีแต่มิตรภาพคำพูดก็ไพเราะอ่อนหวานอ่อนโยนกิริยาใจก็ไม่กระด้าง เราสัมผัสได้บอกเออคนมีบุญเขาอยู่กันอย่างนี้เนาะจิตใจบอกเออตอมาจึงบอกใครมีบุญดูสักพักก็รู้คำพูดจะไม่ขัดทุนไม่มุทะรุดดันไม่เอาอารมณ์แสดงความชุนเฉียวความเครียยกระอดออกมาเงี้ยไม่ใช่ ถึงบอกคุณค่าของเรานะมีชีวิตอยูนะ่เราจะสร้างมันได้อย่างไรบัวใต้น้ำบัวบนน้ำมันก็อยู่ที่จิตดวงนี้เองบัวก็เปรียบเสมือนจิตนั่นแหละจิตที่ยังอยู่ด้วยความมืดไม่รับรู้แสงธรรมสองชีวิตเลยเนี่ยนะ มันยังไม่โผรมาก็เหมือนกับอยู่ใต้น้ำโปรดอยังไรยังไรยังไรก็ไม่โผรมาโยมจะต้องปฏิบัติแล้วต้องพิจารณาและใช้ใจของตัวเราเองสัมผัสโลกนี้ให้ได้บางคนใช้แค่ตามองหูฟัง แต่ใจไม่รู้แตมาบอกเหมือนจิตเสื่อมมันต้องตามองหูฟังใจรู้มันต้องให้ครบเราจะเอาแค่ส่วนประสาทส่วนประสาททางอวัยวะเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์สัตว์เขาก็รับรู้เหมือนกันจมูกเขาไว้ก็เราได้วซ้ำไป การรับรู้เสียงก็ก็เร็วกว่าเราอีกแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือใจรู้คำเดียวพระพุทธเจ้าก็เกิดจากนี้แหละใจรู้ขึ้นมาพระอาหารหันต์ก็เกิดจากใจรู้พระอริยะก็เริ่มจากคำว่าใจรู้ขึ้นมา เราสร้างใจเราขึ้นมาพอเข้าไปอยู่แต่มาสัมผัสได้เออที่นี่มันไม่วุ่นวายเนาะออที่นี่มันก็ดูอะไรอะไรมันก็ดูเรียบร้อยเรียบง่ายอดีตก็จัดไว้เป็นที่เป็นทางไม่เกะ ก, กะ อนาคตาก็มองไปดูแล้วก็ไม่เฟ้อฟ้ า, ฟามันพอดีพอดอีปัจจุบันชีวิตรู้จักคิดมองไปอนาคตารู้จักอดีตที่ผ่านมาเก็บเกี่ยวเป็นประสบะการณ์ชีวิตนำมาพินิจใครครวนในปัจจุบันชีวิตของตน แล้วก็จะทำยังไงให้เกิดประโยชน์ไปสู่อนาคตให้ยิ่งขึ้นกว่าชีวิตที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ในอดีตถึงบอกบางอย่างก็ต้องละเรื่องส่วนตัวผลประโยชน์ผลประโยชน์ส่วนตนบางอย่างบางเรื่องแล้วเราจะทำการใหญ่ได้ ถ้าไม่เสียสละสุดท้ายเราเองก็เอาอะไรไปไม่ได้ยมลองลองปฏิบัติแล้วก็เดินไปข้างหน้าสู่อนาคตแล้วก็วางว่าถ้าเราทำอย่างนี้สละอย่างนี้มันเกิดอะไร เดินได้เราเดินไปสู่อนาคตถ้าตั้งที่ตัวเราเรายังไม่ถึงกระตาบแต่ทุกอย่างเราสามารถมองไปสู่อนาคตได้ว่ามันถูกต้องแค่ไหนอะไรต้องแก้ไข อะไรต้องปรับปรุงอะไรที่ดีแล้วที่ควรเพิ่มไปอีกก็พิจารณาและโยมจะเห็นค่าของตัวเองมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นผู้มีบุญบารมีจึงบอกสุดท้ายตะมาก็คนชีวิตเจอในส่วนหนึ่งว่าก่อนจะตาย เราเคยสร้างประโยชน์อะไรบ้างให้กับตัวเองและมีบุคคลได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากชีวิตของเราโยมต้องคิดบ้างแล้วถ้าคิดแต่ตัวเองจะต้องได้เห็นแก่ตัวสุดท้ายวันที่โยมจากเป็นชีวิตที่แห้งแล้ง แล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นบุญติดตัวไปเลยความสุขจะไม่มีเลยฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือตอนอยู่นี่แหละบางอย่างก็ถ้าเราเข้าใจเกี่ยวเนื่องอะไรมากๆที่เป็นทุกข์ฝึกใจให้หวางให้เป็น งานหลายๆอย่างที่เรายังไม่ได้ทําก็ต้องทำทำมัวแต่มายึดเรื่องเก่าๆอยู่ไม่ได้พูดเรื่องใหม่เลยมันก็เหมือนกับรถติดลมนะโยมมันกับช้างตกลมไปนะไม่มีประโยชน์จะเป็นช้างเป็นมัวเป็นควายเป็นแมวเป็นสุนัขก็ได้แก่เห่าหอนแล้วก็ร้องอยู่ เมื่อตกลงไปในหลุมตรงนั้นรถก็เหมือนกันพอติดหล่มก็ไปก็ไม่ไปไหนถึงจะเร่งน้ำมันหมดก็อยู่ที่เดิมจะมาบอกชีวิตอย่าจมอยู่ตรงนั้นเดินไปเรื่อยๆอย่าหยุดอยู่ตรงไหนชีวิตเส้นทางอันยาวไกล มักผลอยู่ข้างหน้าเดินไปเรื่อยๆบุญนี้ชื่อว่าความสุขทานศีลภาวนาเป็นทางที่โยมต้องเดินอย่าหลงทางนะคนหลงทางทานไม่ให้บุญไม่สร้างศีลไม่รักษาจิตใจไม่รู้จักกำหนดภาวนาอะไรเลยมันจะหลงมืดหมด พอมือนหมดสุดท้ายทางที่เดินเนี่ยเรากลับไม่ถูกคือเราใช้ชีวิตตัวเองไม่ถูกแล้วว่าจะใช้แบบไหนมันขี่หลังเสือสุดท้ายก็เสือตกลงมาเสือก็กินเราถ้าไม่ตกลงมาก็วิ่งเข้าป่าลึก ไม่ดีโยมต้องพิจารณาพอต้องมองว่าที่เราเกิดมาเนี่ยเรายังมีเวรกรรมอยู่เรามาชดใช้เวรกรรมแล้วได้โอกาสดีที่เราได้สติปัญญาได้สร้างบุญบารมีเพิ่มเติมขึ้นมาจนกว่าเราชดใช้เวรกรรมหมด และจิตของเรานั้นได้ขัดเกลาจนสะอาดบริสุทธิ์หมดจดสิ้นกิเลสเราก็จะหมดทุกข์ในที่สุดแห่งความเกิดเราก็ไม่ต้องเกิดอีกไม่ต้องเกิดอีกแต่ที่พวกเราเกิดกันอยู่ไม่ว่าโยมไม่ว่าพระไม่ว่าใครก็ดีสัตว์น้อยใหญ่ เหมือนมีกรรมเห็นสนุกได้ก็ไม่นานเห็นรําคาญได้ก็ไม่กี่วัดเต้นกระเ บ, บําเต้นไปเต้นมามันก็ไม่กี่นาทีชีวิตก็เปลี่ยนอีกมันวนเวียนอยู่กับอนิจจังทุกขังอนัตตา โยมต้องกำหนดผู้ภาวนาต้องกำหนดไปเรื่อยๆพอยิ่งกำหนดรู้ไปรู้ไปรู้ไปที่เขาว่าเห็นกายเห็นจิตเห็นเวทนาเห็นธรรมเห็นจิตเห็นกายเห็นเวทนาเห็นธรรมเห็นธรรมเห็นกายเห็นจิตเห็นเวทนานั่นคือ คำที่สรุปว่าเป็นผู้ไม่มีความประมาทรู้กายมีสติรู้เวทนามีสติรู้จิตมีสติรู้ธรรมมีสติชีวิตของเราอยู่ด้วยความไม่เที่ยงแห่งร่างกายสุขทุกข์เวทนาเป็นสิ่งไม่เที่ยงของชีวิตจิตใจก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมั่นหมายสุขทุก ไม่ใช่สิ่งจีรังยั่งยืนของชีวิตสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่แหละเห็นธรรมภายในธรรมะที่สุดเกิดดับเกิดดับหาสาระเกณฑ์สารที่จะยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นตัวตนนั้นหาไม่ที่จะยึดถือได้ หาไม่ที่จะเป็นสาระได้ยิ่งเข้าใจมากเท่าไหร่ยิ่งรู้ธรรมมากเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าเราจะถนอมเวลาถนอมชีวิตรักษาจิตนี้ให้ได้ นานที่สุดดีที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดได้เท่าไหร่ยิ่งคนพอนาเข้าใจพอถึงแก่นของหลักธรรมะจริงๆโยมรู้ไหมเขาไม่ค่อยส่งออกไปข้างนอกมากเกินจิตจริงไม่ฟุ้งซ่านสติไม่แตกพอรับอะไรเข้ามาแล้วมันไม่มันไม่มากเกินมันกับรู้แล้วละ มาแล้วระไปแล้วระมันเหมือนกับเออเป็นกฎธรรมดาไปไหนมาอาเนี่ย ม, มันก็เป็นคำถามชี่อว่ามันก็เป็นอย่างที่เป็นคนนึงเจอคนนึ่งจากคนนึ่งแก่คนนึงเกิดคนนึ่งเจ็บคนนึงตายโยมถามดูเด่ยมันเป็นวัฏจัก์ คนเท่าคนแก่นี่ตายเอาลูกหลานมันนี่เกิดพอโตเจ อ, อกทียโตแล้วนี่พอมาอีกทีเอาแก่ไปเยอะเลยและสุดท้ายก็คือเราต้องมารับบทอ น, นิจังทุกขังอนัตตาจนถึงฉากสุดท้ายดวงตาที่มองโลกทั้งใบก็สิ้นสุดยุติลก หูที่ฟังสรรพสิ่งที่เป็นเสียงทั้งหมดก็ยุติดับลงการสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างที่ร่างกายของเราผัสสะที่กระทบสัมผัสมันก็ดับลงลิ้นที่กระทบรสทุกชนิดในที่สุดก็ดับลงกายที่เคลื่อนก็หยุดนิ่ง สรรพสิ่งทั้งหลายเป็นเช่นนี้เองหาเอาสิ่งใดไปไม่ทิ้งไว้แต่อันดิจังทุกขังอนัตตาพิจารณาพอเข้าถึงแล้วใจมันจะสงบสว่างไม่มีสิ่งใดๆมารบกวน แม้ได้ยินเสียงเด็กร้องก็ไม่รู้สึกว่าจะรำคาญอะไรก็เฉยๆใจสบายแล้วเขาเรียกว่าจิตไปดีแล้วมีสุกติเป็นที่หมายแต่ถ้าใจเรายังรำคาญวุ่นวายอยู่น่าจะมาบอกได้เลยว่ามันขาดสิบห้าสิบ ทางไหนชักจูงไปก็ไปแล้วฉะนั้นเราอย่าปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ต้องหันสแสวงหาโซดาปฏิผลให้ได้แต่ไม่ใช่ทำด้วยความอยากนะทำด้วยความปรารถนาจิตที่เพื่อปล่อยวาง ทุกที่มีอยู่ในที่สุดทุกคนต้องเรียนรู้คาว่าปล่อยวางทุกที่มีอยู่ถ้าไม่เรียนรู้ข้อ น, นี้ศึกษาธรรมะกี่ตำราก็สอบไม่ผ่านจบกี่สาขากี่ปริญญาถ้าปล่อยวางทุกไม่ได้ชีวิตชาตินี้ถือว่าสอบตก พวกเราสอบชั้นนั้นชั้นนี้ไม่ได้สมัยใหม่เ้าบอกว่ามีการซ่อมได้ใช่ไหมแต่ชาติของชีวิตที่เกิดในภพหนึ่งภูมิหนึ่ ง, งชาติหนึ่งมันไม่ใช่ว่าซ่อมนะแลวไม่ใช่เป็นของเล่นภายในสองปีสามปีสปีแล้วเราก็มาเรียนกันใหม่ไม่ใช่ถ้าเราพลาด ตกไปทุกกติขายไปเท่าไหร่ยอมดูเรื่องพระเตมีว่ามมใบที่เคยพูดให้ฟังบ่อยที่ท่านไม่กล้าจะพูดไม่กล้าที่จะเป็นกษัตริย์เพราะท่านได้ทราบว่าท่านเคยเป็นกษัตริย์แล้วตกนรกไปถึง8ปดหมื่นปีเป็นกษัตริย์เพียงแค่สี่สิบปีจึงยอมเป็นง่อยไม่พูดยอมเป็นใบ้ เพราะไม่ปรารถนาที่จะเป็นกษัตริย์จริงอยู่ส่วนหนึ่งก็ขึ้นสวรรค์โดยการปัดเป่าบำรุงสุขบำรุงทุกข์บำรุงสุขให้กับทวยราชทั้งหลายนะแต่สิ่งที่ผิดก็มีใช้อานาจบาทใหญ่ตัดสิน ที่ยังไม่เป็นธรรมกรรมนั้นมันเกินไปที่ให้เขากำนั้นก็ตนมาเป็นผู้รับสรุปว่าหลังจากเป็นพระราชาตกนรกถึงแปดหมื่นปีพอลงจากนารกเสร็จก็ไปบังเกิดในสวงสวัสดิ์แล้วก็ได้มาบังเกิดเป็นพระเตมีใบในชาติต่อไปพอะระลึกได้ตนเลยไม่พูดเลยกลัว ออกบวชเลยหาเนคคัมมะสุขไม่หาโลกียสุขถึงบอกเออตอนมีอำนาจระวังใช้ให้เป็นมีดคมเท่าไรจับไม่ดีก็บาดมือคนถือเท่านั้นน่ากลัวทุกอย่างมันเป็นดาบสองคมคุณอ น, นันโทษมหัน แต่พอเราพิจารณาเข้าถึงสัจจะอันเป็นธรรมะทองแท้แล้วเนี่ยเราจะมีความสุขใจเราจะสว่างสงบร่มเย็นและรู้สึกมันสะอาดมองไปอดีตก็ไม่ตะขิดตะขวง มองเห็นอนาคตก็ไม่มีเพลิงอะไรที่จะเผาไหมจิตวิญญาณอยู่ขณะปัจจุบันก็ไม่เร่าร้อนและไม่มีเวรอะไรที่ต้องไปผูกทุกทั้งหมดที่มีก็วางหมดโยมต้องเริ่มรู้จักวางทุกข์บ้างเริ่มตั้งแต่ว่า เสียงหยับหยาบมามีการกระทบกระทั่งกันเมื่อไมอ่ประสบอารมณ์ที่ตนพอใจงเงี้ยต้องฝึกละอย่าไปสนองอย่าไปตัวตอบอะไรเราฝึกกิตเราระหว่างทมกัะอาธรรมเนี่ยโยมแบ่งแยกให้ชัดเจน แล้วก็ต้องดูว่าเรามีกำลังที่จะควบคุมมันได้และเราอยู่ฝ่ายไหนกำหนดไปพิจนิดพิดจารณาไปแล้วก็เข้าใจในที่สุดจิตจะเย็นสบายที่ก็ว่ามองเหมือนคนมีบุตรมันจะสวา่างและเรื่องจริงนะโยมเวลาคนเครียดเห็นไหม โหนหน้าตานะขาวๆขาวๆนะแค่เจ็ดวันนี่มองดำคล้ำไปเลยมองรู้ว่าคนนี้ไม่มีความสุขสำคัญนะฉะนั้นคนจะขึ้นสวรรค์หรือตกนรกเนะี่ยแต่มาจะไม่วัดเฉพาะขนาดจิตดวงสุดท้ายแม้สำคัญก็จริงอยู่แต่ว่า แต่มาจะดูอจินต ร, รมก็คือกรรมปัจจุบันเขาทำกรรมอะไรไว้และจิตของเขาเขาดูแลรักษาได้แค่ไหนแต่มาจะดูจุดนี้เป็นเกณฑ์วัดมากกว่าทางงมงามอยู่กับไอสิ่งไม่มีสาระมายุ่งวุ่นวายอยู่กับเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องชื่อเสียงเกียรติโหอายุจะหมดอยู่แล้วนะ น่าสงสารเขาเกินมาสอบตกกิจวิญญาณในชาตินี้เมื่อจากไปก็ไปสู่ทุกขติต่อดีไม่ดีกินบุญเก่าไปอีกก็สมควรเวลาก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้